อชม่อล่นรุ่อรุณรุ่งอรุณอัลลอฮุ์มุสลามะลัยมุ hammad ا ل س ل ا ต عليكم ورحمة الله و ب ر ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺซักฮาตัลลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการอธิบายอันกุรอานในสุรฮูดเรื่องของนบีฮุด คือการฝ่าฝืนของพวกอาดอาดนี่ใหญ่ใการยุงนะเอ่ออะไรนะยุงขยงแงมาแรงขยาบเมื่ออาดขยับไม่ใช่นันยาฉีดยุงอาดนี่เป็นกลุ่มชนหนึ่งอยารู้จากอาดก่อนเป็นกลุ่มชนหนึ่งที่มีน บ, บีฮูดมาเป็นน บ, บีประกาศอิสลามในในช่วงของเขา นะคือพวกอาดเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เชื่อต่ออัลลอ์คืออัลลอ์นี้จะส่งน บ, บีส่งรอซูนประกาศอิสลามแล้วก็แต่ละกลุ่มชนก็ก่อหน้าที่จะได้รับรู้อิสลามก็รับรู้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเข้าไปฝังแน่นในหัวใจนั้นการที่จะเปลี่ยนความเชื่อของคนเป็นเรื่องที่ยาก แต่เมื่อเขาประสงค์จะเปลี่ยนแล้วก็ขอนวอาตออัลละ์ขอเรลได้โปวดทีดายะให้ทางนำที่ถูกต้องเนี่ยนะต้องขอต้องใส่ใจขอแล้วก็เรียนดูอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปลี่ยนเราให้สู่ทางที่ถูกต้องที่เราขออยู่เสมอใช่ไหมอิดีนซรอตันมุสตะกีโปรดนำเราสู่หนทางที่เที่ยงตรง คำถามก็คือว่าหนทางที่เที่ยงตรงรูปประธรรมมันเป็นแบบไหนจะจับตามองจับข้อสังเกตได้แบบไหนอลัลลอ์ก็บอกว่าสิรอตแ ล, ลดีนะอันัมเาอิละฮิมหนทางที่พระองค์ได้เคยให้นี้มัติสลามมาก่อนหน้านี้แล้วใครละ่ะคือบรรดานาบีบรรดาสหาบะและก็คนที่สื่อสารเรื่องราวว่ า, อ, าอิสลามก็ดูเขาเรียนรู้จากเขาอา ต่นี่ น, นบีฮุดเนี่ยนบีฮุดเนี่ยคือถนับไปแล้วเนี่ยเท่ากับเป็นเหลนของนบีนัวอัลัยฮิสลาม์นะเป็นเหลนหลนของนบีนัวอัลัยฮิสลามซึ่งเป็นสายของนบีที่ประกาศอิสลามแล้วก็ในยุคนบีนัเนี่ยผู้ที่มอาออิสลามก็ถูกทําลายไปหมดสิ้นแล้ว เหลือแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันเป็นสิ่งที่แปลกไมหมถ้าเราจะคิดตรงนี้ก่อนว่าเวลาอัลลอฮ์ให้น้ำท่วมโลกไอ้คนที่ทรยศน่ะตายหมดแต่คนที่ไม่ทรยศน่ะอยู่ในสถานภาพเดียวกันอัลลอ์จัดการน่ะให้คนที่ไม่ทรยศมีชีวิตอยู่ได้บุลมากคับเปรียบเทียบในหนังสือ ของทัศนสิทธมุตตวันรีแกว่าดีเหมือนกับเราไม่สบายเนะ่ะเวลาเราปว่วยเวลาเรากินยาไปเนะ่ะยาไม่ได้รักษาเรานะยามันไปรักษาโรคไปฆ่าโรคให้มันตายแต่ว่าตัวเราอะอยู่เออเขา เ, เ, เขพูดดีกินยาไปแนตะยามันไปรักษาโรคมันไปบี้โรคฆ่าโรคจนตายเราตายไหมไม่ตายแต่เรามีชีวิตอยู่ ทั่นเับเปรียบเทียมให้ฟังเพราะนั้นทุกกลุ่มชนที่ว่างเว้นจากรอซูนเนี่ยไม่มีการสอนอะไรไม่ได้เข้ามาชิริกจะเข้ามาที่ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าเวลาอบีนุ้ยเรียกลูกให้ขึ้นเรือเนี่ยยาบูนัยยัดกรมาหนาะโอลูกรักได้โปร่ขึ้นมาอยู่บนเรือกับพ่อเถอนั่นมีนัยยะว่าให้สัทธาต่ออัลลอฮ์ถึงจะอยู่ในเรือได้ขึ้นมาบนเรือได้แต่สังเกตนะ ลูกตอบกับพ่อว่าไม่ขึ้นสอาวีอลายะบลินยะซิมูนีมินันมะฉันจะไปะอาศัยบนภูเขาข้างหน้านู้นที่ฉันคิดว่ามันจะช่วยฉันพ้นจากการจมน้ำตายได้มุมมองอยังไงได้มุมมองว่าไงคนเวลาไม่ศรัทธาต่อเลาะก็จะอีมานตอวัตถุมีไม่มีแต่มันสีกหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมคาเฟ่เยอะแยะ มีมานต่อวัตถุเชื่อต่อวัตถุสร้างวัตถุและกําหนดให้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนมากอ่านประวัติศาสตร์นะวัตถุที่เขาสร้างส่วนมากจะสร้างบนภูเขาที่สูงสูงเราก็เห็นอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่เราบอกมันเป็นความเป็นจริงที่เราสามารถเห็นได้ตอนนี้จำไม่ได้นะพวกอาร์อยู่ในยุค ข, ของนบีนบีฮุดก็ชายตอนก็มาหลอกลวง ให้หลงผิดด้วยการไหว้รูปปั้นแต่เป็นรูปปั้นของอะไรของบรรพูรุษอีกเช่นเคยที่รูปปั้นรูปของแชร์รูปของโต๊ะรูปของใครตัวใครเนี่ยฮเป็นรูปปั้นแต่นี่รูปปั้นในส่วนนั้นแหะในสมัยน้าท่วมโลกก็มันก็มีการชี้อีกเหมือนกันมีรูปปั้นรูปคของรถที่สร้างขึ้นมาแต่ว่า เวลาไม่ศรัทธาก็อัลล์ก็จะล้างคนเหล่านั้นไปนะวามายักซีดูซอลิมินอิลลาคอซารอคนที่ร้อลิมคนที่ช่อฉนคนที่ดือดึงท้ายสุดคอซารอคือขาดทุนพือหายนะแต่นี้ทำไมพวกอารนะ์ตเนี่ยถึ ง, ถ, งถึงอะไรนะก้าวล้าแล้วก็ไม่เชื่อคำสอนของท่านอบีุลฮดก็เพราะอะไรครับเพราะพวกอ า, าอร์ตเน่ยมีเป็นคนที่มีเผ่าพันธ์แข็งแรงมาก ไม่เคยเจ็บป่วยเป็นหลายๆปีนะประมาณเจ็ดร้อยปีเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยปีเนี่ยจนกระทังพวกอ้าเนี่ยไม่รู้จักความตายอายุยืนแล้วไม่เป็นอะไรเลยตั้งเจ็ดร้อยแปดร้อยปีก็ก็ไม่รู้จักความตายความตายไปยังไง เมื่อไม่รู้จักความตายก็ไม่มีสิ่งสอนใจว่าคนเราถึงวันหนึ่งต้องตายและกลับไปสู่ใครมันจะมีคำถามที่ยังให้เขาตอบไม่ตายไม่เห็นการตายเมื่อไม่เห็นความตายไม่สูญเสียก็ไม่มีความรู้สึกที่จะสำนึกถึงพระเจ้าก็อยู่กับความสุขเสียสุขกับความสุขไปเวลาอบีฮดมาประกาศอิสลามก็มีการต่อต้านนะมีการต่อต้านตอนนี้ พอมีการต่อต้านเนี่ยแน่นอนเมื่อชิริกต่ออัลลอฮ์มากขึ้นอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ทําลายให้ชิริกมันหมดไปนะครับทรงพานการสอนจากท่านนับีุฮุดก็ทําลายทั้งหมดการทําลายพวกอาร์ตเป็นยังไงอัลลอฮ์จะส่งลมพายุที่รุนแรงพัดกระหน่ำบ้า น, เ, นเรือนเรือสวนไรนะ่นาของพวกอาร์ตจะหมดสิน้นเป็นเวลาเจดคืนแปดวันเจคืน8ดวันที่อัลลอฮ์ส่งลมส่งฝนมาทําลาย เป็นมหาวัตภัยที่รุนแรงทำให้ทรัพย์สินชีวิตและลูกหลานของวกเขาถูกทำลายจนหมดสิน้นไม่เก็บเลยไม่เหลือไว้บนแผ่นดินเลยแต่ว่าชีดิเต่อหลังงอกขึ้นมามันก็งอกงามขึ้นมาอีกด้วยอิทธิพลของัชตอนของยินต่างๆที่ทำให้เราได้สังใจเชื่อที่เป็นชีดิเน บ, บีฮูสเสียชีวิตมือายุได้464ปีฝังที่ไหนฝังที่ฮาร์ฮาดม อยู่ในประเทศเยเ ม, น, ยยมนทุกวันเนี่นะอยู่ในประเทศเยเมนแต่นี้มาดูอันกุรอานนะนั่นเป็นบทเบื้องต้นที่บอกว่าอาร์ตคือใครฮูดคือใคร อ, อัลลอฮ์ก็บอกว่าอายะที่ห้าสิบแปดนะวะดัมมาจาอัมรุนัดเัยน ا ฮูดะ و ا ل ذ ي ن ا آ م ن ม معه ม ر ح นน م า ว ون ัจเจ يناهم ون ัจเจ يناهم من عذاب غليظ สดยศใช่ไหมอัลลอฮ์ก็บอกว่าเมื่อเมื่อบัญชาของเราเมื่อคำสั่งของเราได้มาถึงพวกเขาคือคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องตั้งของ้อสังเกตนะเมื่ออัลลอฮ์มีคำสั่งอย่างไรให้ใครไปไดีบัต นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์รู้ดีว่าคําสั่งนั้นสามารถปฏิบัติได้ไม่งั้นจะไม่สั่งนะสามารถปฏิบัติได้ไม่งั้นอัลจะไม่สั่งให้เราทํานู่นทํานี่เช่อนอะเกมุซาลาวะอตุสกาทานจงละมาจงออสการแสดงว่าอัลลอฮ์รู้ดีว่าเราสามารถทําได้มันไม่เด่นหนักอะไรฮนะสั่งไปทําหัดก็รู้ว่าเราสามารถทําได้แต่อัลลอฮ์ก็บอกว่าเราต้องมีความพร้อม นิสตตออิละฮิสบิลานิสตตออิละฮิสบีลามีความพรม้อมงั้นคําสั่งทุกคําสั่งอย่าคิดว่าทําไม่ได้แต่ที่ไม่ทําเพราะอะไรเพราะอารมณ์ความรู้สึกของเรามันต่อต้านคําสั่งของเราหรือไม่ก็ลืมเลือนคําสั่งเหล่านั้นเพราะอะไรชายตอนทําให้วิสวัสยินที่เป็นกาเ ฟ, ฟ่ทำให้วิสวัส อัลลอฮฺทิวสวิสุฟิสูรินนัสมีนั่นยินนัติวันนัสทีมาจากยินและกม็มนุษย์มนุษย์ข้ามนุษย์ที่เทยยลยตอหลอมนุษย์ที่เป็นข้าเป็นพวกกาเฟมูนาฟิกีนงั้นอิทธิพลของมนุษย์ที่เราคบค้าสมาคมกันอยู่มันมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ยึดคาสั่งขอลลฮ์เราก็หลุดจากคาสั่งขอลลฮ์นี่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺบอกงั้นเมื่อเทลยตเนี่ย อัมบูนาตรงนั้นนักตสัสนีแปลว่าอาซาบุนาก็ได้เมื่อถึงวันที่อลัลลอฮ์ทำลายอาซาบของเราก็มาหาพวกเขาได้มาถึงพวกเขาวัน ล, ละที่นาอามานูมาอาูและอลัลลอฮ์ได้ช่วยใครครับได้ช่วยน บ, บีฮูดแต่นี้สำหรับคนที่อีมานศรัทธาต่ออลัลลอฮ์ ในในคนสองกลุ่มในประชาชาติของนบีฮูษตมีสองกลุ่มเนื่องไม่ศรัทธาตอ่อหรอถูกทําลายด้วยอะไรครับด้วยกับลมพายุที่รุนแรงเจ็ดวันแปดคืนเพราะฉะนั้นไอาซาจึงบอกว่าเวลานาบีเห็นเมฆแล้วก็เห็นลมเไม่เห็นลมนะเห็นเมฆมาแล้วมีลมแรงอ่ะไอซาเล่าให้ฟังว่านาบีจะน่าเสียน่าจะไม่ไม่ค่อยดีน่าเสีย ไอซาจึงถามว่าไอซาจึงบอกถามกั น, นบีว่าอย่าเราสุรร ล, ะละ้อเวลาฝนจะตกลมพัดมาเนี่ยคนทั่วไปจะดีใจว่าฝนจะมาแล้วลมมาเย็นสบายนบยีบอกว่านบีบอกว่าบางกลุ่มถูกลงโทษ ด, ด้วยลมนี่เห็นไหมคุณอ่านที่บอกพวกอารเนี่ยไอพวกสมุตในยุคอาร์เนี่ยถูกลงโทษดด้วยลมบางพวกถูกลงโทษ ด, ด้วยฝน ก็เยอะแยะไปเพราะนั้นการรู้ของนบีตรงนี้รู้ว่าฝนกับลมเนี่ยมันมเป็นร่หมาได้เป็นอาซาบได้นบีถึงห น, หน้าไม่เคยดีพอหน้าไม่่คยดีปุ๊บบทเรียนที่นบีสอนมาทันทีนบีสอนว่าไงเวลาลมมาฝนมาว่ายังไงอัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกะคอยรฮาวะคอยรามาฟีฮะจำได้ยัง อาถ้าฝนอ่านี้นี่ลมก่อนนะก็ได้ได้ฝนกับลมมันมาด้วยกันน่ะอัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกกคอยราห์ว่าคอยเรามาฟีฮะว่าคอยเรามาอูรุศิลัดบิฮีขอให้สิ่งดีที่มาถูกส่งมาพร้อมกับลมว่าฮูดูวิกามินชัดดีฮะว่าชัดดีมาฟีฮะว่าชัดลีมะอูรุศิลัดบิฮีนี่นานะน บ, บีขออุดอ่านะนบีขออุดอ่าเพราะนั้น ลมกัฝนอี ก, กันมันได้ไหมไม่ได้แต่ความคิดของยายเลียที่มาใช้อิสลามมันมีอยู่ในสังคมทุกวันนี้คงมีอยู่เวลาลมมาทำไงเอาปืนยิงลมเอาเลยมือลูกซองเลยยิงนะพอยิงปุ๊บบังเอิญลมมันเบาหน่อยเ็าบอกนั่นแล้วลมแตกแล้ว ที่มาเป็นก้อนในแตกแล้วมันก็กลายเป็นความจําว่าถ้าล้มมาต้องยิงปืนใช่อซะไหมยไม่ใช่แต่เป็นวิธีคิดของคนในสังคมที่เราจะสืบท อ, อดจดจําไม่ได้เราจะต้องบอกลูกลกับลูกหลานให้รับดูเหมือนกับจันทค้าสุยาคชาใช่ไหมพอเกิดจันทค้าสุยคาคไปไงตีกองยิงปืนไม่มีกองกับตีหมอ้อทุบหมยันจะได้รู้ตัวมันจะได้ไม่กลืนมันจะได้ไม่มืด นี่ไม่ใช่ إسلام แต่ إسلام เป็นยังไงเวลามีจารคกาศทําังไงมีสุริยคาศทํำยังไงละมาสุนัตละมาสุนัตจาริกาศละมาสุนัตสุริยคาศเพื่อสอยู่ต่ออัลลอฮฺซาตาราว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพราะอํานาจของอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาเราจึงเชื่อมโยงชีวิตเรากับคําสั่งของอัลลอฮ์เสมอไม่ว่าเรื่องราวต่ า, ตางๆเหล่านั้นจะเกิดแบบไหนอย่างไรก็ตาม เชื่อมยงก่อนๆแล้วไม่เชื่อมโย ง, ยโยงแต่ว่ามันใช่สาวว่าใช่เช่นไงพวกเราเรื่องก่อนเนี่ยตัวยอเราน้าเราไปมากะผมยังจำได้เลยไปส่งที่เรือยิงโกดังเก้าโอ้โหเวลาเรือกําลังจะออกนะมันเศร้าไอ้นั่นกับโบกมือกันอะไรกันไอค น, น, นข้างล่างอัลลอฮฺกับอัลลอฮฺเรือ ก, ก็แล่นค่อยๆออกอัลลอฮฺเสียงโหยหวนหน่อยร้องไง ใช่ไหตอนลงอาจาตรตอนเรือออกมีไหม <c oughs> ไม่มีแต่ถ้าใครไปถามเอ้ยมันมันค้มดีวะกู ว, ว่ามันดีไอไอตอนกูว่ามันดีแหละตอนเออนี่ยมันมันมียังจําได้ไหนก่อนไปส่งเรือยิงจาได้ถั่วหน่อยก็สวมพวงามาลัยสวมบาสวมบาพวงมาลัยแล้วก็จัดจะเท่นอกก็ใส่เสื้อบางๆเอาเป็นร้อยสีแดงใสโอ้โหสุดยอด ใช่ก็ น, นั่นนั่นคืออะไรนั่นคือมีอยู่แต่ว่ามันเป็นวิธีอิสลามไหมไม่ใช่ไม่ใช่วิธีอิสลามนะแต่นี้คนคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์น่ะนะอัลลอฮ์ก็จะให้เขาได้รับความปลอดภัยวันนั้นปลอดภัยและความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้คือให้ฮิดายะให้ทางน้ําคือให้ทางน้ําคืออะไรรับคําสอนของท่านนาบีฮุด ฮิดายะมาจากอัลลอฮ์อินัสซิรอตอนมุสต์กีมฮิดายะมาจากอัลลอฮ์ผมเคยบอกหลายครั้งว่าฮิดายะตุนอะดิยามและชาลอเอะฮิดายะที่เกี่ยวกับศาสนาและ Sharia การอีมานอัลลอฮ์ให้เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นแต่ฮิดายะที่เป็นความรู้สึกจะหิวกาเฟต์กระรองบอกว่าหิวจะปวดจะป่วยกาเฟต์กระรองบอกว่าป่วยเจ็บเราก็เหมือนกันมันก็มันก็ป่วยมันก็เจ็บเหมือนกัน แต่ฮิดายาที่เป็นการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยืนหยัดกับชารีอะห์ของอัลลอฮ์บทบัญญัติของอัลลอฮ์อิบารัดาต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เจาะจงให้กับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นฮิดายาแบบเนี้ฮิดายาที่เกี่ยวกับชารีอะฮ์เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับอีมานนี่เฉพาะมุสลิมเท่านั้นแต่ฮิดายาอื่นที่บอกถึงความรู้สึกกาเฟต์ก็ได้มุสลิมก็ได้กาเฟต์กระทาการค้ารวยมุสลิมก็ทําการค้ารวย แต่บ้านเราไม่ได้เห็นนักการค้ารวยเพราะว่ามุสลิมบ้านเราไม่ชอบทำการค้าแต่ชอบสังคมเกษตรอ่าสังคมเกษตรและเราก็ได้ให้พวกเขาเหล่านั้นใครล่ะอัลลอฮนินอามานูผู้ที่ศรัทธาตามที่นบีฮูสตสอนให้พ้นจากจะงได้ มินอาดาบินกอ ร, ทท ร, รีจากการลงโทษที่รุนแรงจากการลงโทษที่รุนแรงพวกอาร์ดเเบื้องหลังของการตะกรับร ท, ที่เยอะยิงแม้เอาคำสอนขอรับเพราะอะไรสมัยก่อนเป็นชาวอิรอมที่คือสาภาพแวดล้อมเ่งานพวกอาร์ดอะไรมันอยู่กับความความหรูหราของวัตถุไงมีอาคารสูงใหญ่แล้วมันเจาะทำไงนะเออ มันส ก, กัดหินทําเป็นที่พักอ่ะบ้านช่องของพวกอาร์ตมันส ก, กัดหินก้อนหินภูเขาอ่ะเป็นที่อยู่ที่อาศัยอ่ะขนาดไหนอ่ะด<อ>่างใจใหญ่โตกยำยํำ<อ>ใช่ไหม อ, อัลลอฮฺจึงพูดถึงเรื่องอาร์ตเพื่อเป็นการเตือนกูฟัตอารับให้ระวังตัว<อ>กาเฟนอารับ<อ>ฮะเป็นสัมชนอาร์ตไม่ใช่ไม่ใช่เออสมุท อาอของน บ, บีฮูดนะฮดฮดอาศคู่กับฮูดชมุตคุณ บ, บีโซเละอ่าง <c oughs> ั้นทุกน บ, บีจะด่วาวะซุอิสลามนะด่วาวะซุ่ยรัดร้อแต่ว่าปัญหาของอันตรายของลูกหลานอาดัมพี่น้องต้องรู้นะเราเป็นลูกหลานอาดัมอันตรายที่เกิดขึ้นกับพวกเราคืออะไรหนึ่งใช้ชีวิตตามอารมณ์อยากจะทำก็ทำ ไม่ใช่อลัลลอฮ์บอกเราตัตตะเบอะอะฮวาอะฮุมจะตามอารมณ์ของตัวเราเราไม่ได้ขับเคลื่อนชีวิตตามอารมณ์แต่ต้องขับเคลื่อนชีวิตตามมาได้ตามวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ในละซูลที่มาจากอัลลอฮ์มอบให้ละซูนมาสอนเราอันตารายของลูกหลานอดัดาดามาเน่งใช้ชีวิตตามอารมณ์สองมีหัวใจแต่ไม่เอาศาสนาไม่เข้าใจศาสนาหัวใจมีเหมือนกับเขาแหละแต่ไม่เอาศาสนา พอไม่เอาศาสนา ก, ก็เป็นก้อนบุญอซีมหัวใจที่มีแต่บาปมีแต่โรคโรคชีริกโรคดือ้อดึงต่อหรไม่เป็นหัวใจที่มุนีบหัวใจที่พร้อมจะนำความดีกลับไปสู่อันล้อนี่อันตารายของลูกหลานอะ่าน้ำข้อสองข้อสามความคิดและสติปัญญาถูกครอบงาด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามสาวาดียาสากกับอิสลสามศาสนา อันนวดสดีอ้นี้ก็สาวาดีไอ้ น, น, อ น, นั่นก็คิดว่านะอยากจะทำนี่ข้อสามคืออันตรายของลูกหลานอาดัมสี่แพ้ความไข่ของตัวเองความไข่ของตัวเองแพ้นับสูที่เป็นความไข่ต่อสิ่งที่ไม่ดีเราแพ้เราอ่อนแอ ลุกอานถึงบอกว่าวัวน้าฮันนับซะอนินฮาวะต้องยับยั้งอารมณ์ความคั่ไว้ให้ได้อาทวนนะลูกหลานอาดัมได้รับอันตรายทุกวันนี้และต่อไปจนกระทั่งถึงวันกียังมาเพาะนึ่งใช้ชีวิตตามอารมณ์สองมีหัวใจแต่ไม่เอาศาสนาและไม่เข้าใจศาสนาอิสลามสามความคิดสติปัญญาถูกครอบงำด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อิสลามสเราแพ้ความคั่ของตัวเอง ภาวาอารมณ์ตัวเองแพ้อารมณ์ตัวเองอนั่นคือลูกหลานน บ, บีอาดัมนั่นคือนั่นคือรายเรื่องของเรื่องของยุคของอาดที่น บ, บีฮุดมาสอนอิสลามทีนี้มาดูว่า อัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งมาเนี่ยฟ้าแผ่นดินเนี่ยฟังคําสั่งอัลลอฮ์นะสังคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฝนตก ก, ก, ก, ก, ก็ตกอัลลอฮ์ให้ฟ้ารอ้องก็ร้องอัลลอฮ์ให้เป็นแล้วก็เป็นนะตามคําสั่งของอัลลอฮ์บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเน่ยมันเป็นร่อมัดบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน้ำเน่ะบางทีมันเป็นร่อมัดบางทีมันเป็นอาา่าสาบอต่บางทีมเป็นอาา่าสาบ มันก็มีให้ให้เราได้เห็นแล้วก็เราอยู่ในสังคมทุกวันนี้เราเห็นสิ่งหลายอย่างแล้วก็สิ่งต่างๆในโลกมันถูกถ่ายทอดผ่านเครื่องสื่อสารทันสมัยเราก็ได้รับรู้มันจะมีความลึกซึ้งต่ออันอิสลามมากขึ้นต่อไป วัดต ja ิงกาดุยวัดติงกาดุนจะดูบีอาญาที่รَบบิมว่าสาَรُสเลห์วัَตบะอัมร์อัมร์คนลิจับบาริณนิดในยุคของอาร์ตอะ ยัง ม, มีนิดนึงว่าปฏิเสธคําสั่งของอัลลอฮ์ทรยศต่อรอซูลนะคือรอซูลที่มีมาเนี่ยทรยศรอซูลก่อนหน้านั้นที่เป็นบทเรียนสอนชีวิตก็ไม่เอาแบบทรยศทุกรอซูลสอนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าทุกน บ, บีตั้งแต่น บ, บีอาดัมเรื่อยมาจนกระทั่งน บ, บีมูฮัมมัดสุลตัลลัมก็สอนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านะไอพวกนี้ไม่เอา แล้วก็มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เอาเออไม่ได้เอาเราซูดของเขาอย่างเดียวนะพวกสมุดไอ้อพวกอะไรนะอาร์ตเนี่ยนะะไม่ได้เอาฮูดอย่างเดียวไม่เชื่อแต่ว่าตามอะไรกุลอากุลอาอํารกุลหจับบาลินอานิดปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ญิงพยองผู้ขัดถืนทุกคนคืออานิดคืออะไรอานีดคือขัดแย้งกับความจริง นะขัดแย้งกับความจริงจะเป็นผลประโยชน์มินรูวอาซ่ายิมที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาเป็นผู้นําของเขาเอาว่าด้ประโยชน์เอาแต่คําสั่งเขาอัลลอฮ์เอาไหมไม่เอาอัลลอฮ์ก็ทําลายมาทุกยุคทุกสมัยเพราะอะไรละ่ะเพราะน บ, บีที่อัลลอฮ์สั่งมาทุกคนเนี่ยส่งมาเป็นน บ, บีหรือเป็นรอซู น, นบุคคลเหล่านี้จะอะไรจะเคลื่อนย้ายไปบนแผ่นดินของอัลลอฮ์และ พิจารณามองดูว่าจุดบอดของความชั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบไหนอย่างไรก็สอนก็แนะนําก็สอนก็แนะนํางั้น อ, อกกะเราก็สั่งเราซีรูฟินอัตจงไรนะจงเคลื่อนไหวเดินไปบนแผ่นดินนี้คือเดินทางอย่าย่ำอยู่กับที่มันมีสิ่งอะไรล่ะไม่ได้ไปจับคิดใครจับผิดใครแต่เมื่อไปเจอความไม่ถูกต้องเราก็ช่วยกันเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเรา แล้วด้วยตัวเราไม่ไหวก็ด้วยเยมาอาจัดกลุ่มกัตายมีบัลแรมีมั ส, สยิดมินเนี่ยก็จัดกลุ่กันทําการได้ไวาอิสลามงั้นเราต้องเคลื่อนไหวนะรับรู้แล้วก็ช่วยกันเปลีป่ยนแปลงเพราะคนรอบข้างมันจะใครรอบก็พี่น้องของเราทั้งนั้นแหละนะพูดไปแล้วเขาเขาต่อต้านอย่าอย่าเสียใจอย่าโกรธเราทําหน้าที่เพราะเรารู้ว่าอัลลอฮฺยังไม่ฮิดายาอยังไม่เปิดใจให้เขาเราก็จะไม่โกรธเราจะเป็นคนที่สงสารเขาทันที นะต่อไปอีกอายาหนึ่งว่าอูจิ ي บิอูมินฮาซิฮิอ و ดุเน ل ะละเนตอูในยูมันกิอามะอลอินดัฟรรับบุม อาลาบัวดัลลีอาดิคาอมเคโอมิฮูดลีอาดินนาดินเคโอมิฮูดพวกเขาติดตามด้วยการสาบแช่งในโลกดุนยานี้และอาคิรอถูกติดตามคือทําผิดก็ถูกติดตามด้วยการละหนัดละหนัดในโลกดุนย่าคือจะไม่ได้รับร่อมัอยู่ได้แต่ในวันอาคิรอก็อาสาบ นะทั้งดุนยาแล้วก็อาคีรอเพราะเขาปฏิเสธพระเจ้าของเขาคืออัลลอฮฺสซาตลาพวกคนเหล่านี้ <c oughs> พวกอาดิทรยศเนี่ยก็เป็นไรครับบวดันหรืออาดีเกาหรอาดินเกามิฮูดจะอยู่กับความห่างไกยจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสซาตลาแต่ว่าร่างกายกำยำบ้านช่องดีมีฐานะดีมีความสมบูรณ์มีความเข้มแข็งเจาะภูเขาเป็นที่พักโอ้โห ใหญ่โตขนาดไหนแต่เมื่อไม่เอาคำสั่งเขารอไปยังไงบทเรียนก็คือความหายนะที่เกิดขึ้นไม่ว่าใครทางนั้นไม่ว่าใครทางนั้นนักตัวซิดให้คำอธิบายพี่น้องสังเกตนะในอายาที่หกสิบอลาอินานังกฟารูรอบบะฮุม อาลาบัวดันเลี้ยดินเกามีหูดมีอาลาสองครั้งคําว่ามีอาลาสองครั้งหมายความว่าอะไรเป็นการเตือนว่าการกระทําของพวกเขาควรได้รับการสราปแช่งถ้าถ้าดื้อดึงไม่เป็นแบบตามันหรอกและเป็นการเตือนว่าถ้าเขามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขาจะได้รับความเมตตาจากอันหรอกซึ่งว่ามีอาลาอาลาเป็นคาเตือน รู้การอธิบายของตับซีดนักโมฟัสซีรนอธิบายกูอานเราจะรู้ว่านี่คือจุดลึกๆที่อัานกูอ่านแฝงไว้ให้เราได้คิดมาหลายรูปแบบนั้นนักตับซีดเขาถนัดเรื่องนั้นเขาอธิบายเรารู้ก็ไม่อะไร้หรอกไม่ได้เก่งกาลเราก็อ่านสิ่งที่เขาอธิบายมาแล้วก็เก็บนํามาเล่าให้กับพี่น้องฟังไม่ได้อะไรไม่ลืมหรอกรู้ตามที่เขาบอกเก็บมาเล่าเก็บมาบอกก็เท่านั้นเองแต่สิ่งที่หวังก็คือว่า หวังว่าตัวผู้ผมเนี่ยผู้ให้คำหํำแนะนามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนทยอยต่อแล้วไม่ว่ายุคไหนไม่ประสบความสําเร็จความร่ํารวยไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าประสบความสำเร็จตทำหนีงหน้าที่ก็ไม่ได้ประกนการว่าประสบความสาเร็จในการใช้ชีวิตโดนยาอาจได้แต่อาร์เคโรได้ไหมไม่ได้ มาลิกยาบมิดดินอัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนยาวมุดดีนคือยาวที่วันที่อัลลอฮ์ตัดสินเราด้วยกับอิสลามดีนุนอิสลามตัดสินด้ยศาสนาอิสลามไม่ใช่วิธีคิดของคนอื่นรอดไหมถึงนั้นรอดไหมนี่วันนู้นต่างหากที่ไม่มีอะไรครับไม่มีชั่วโมงสําหรับวันนั้นยาวนานนรกสวรรค์ยาวนา น, นา แล้วก็นรกหนึ่มืดเคย อ, อ่านคำอธิบายบอกว่าไฟนรกตอนก่อนมันแดงเผาตัวเองพันปีเป็นสีขาวแล้วก็เผาตัวเองอีกพันปีเป็นสีดํางั้นนรกจะมืดอยู่ทําการความมืดนราโดนอดาสาเป็นนันดูที่ทรมานขนาดไหนนี่คือเราบอกนะต้องเจอแบบนี้ต้องเจอแบบนี้ต้องเจอแบบนี้แล้วเราล่ะเปลี่ยนแปลงไหม คำนึงถึงคําสั่งของอัลลอฮ์ไหมนี่แหละที่เราต้องดูแลตัวเองใมื่ออยู่กับ อ, อิสลามอิสลามปแปลว่ายอมตนต่อคําสั่งของอัลลอฮ์ได้หรือซูลวันนี้ยอมไหมถ้าไม่ยอมเอาอารมณ์เป็นใหญ่เราแพ้อินนั่นับซาลอัล ม, มารเราตุนบิซูอารมณ์ที่มุตมาอินนะที่มีความสงบอยู่กับคําสั่งของอัลลอฮ์มันไม่เคยมีหรอกถ้าเราไม่ยอมตามคําสั่งของอัลลอฮ์ชายตอนจะพาไปเป็นนักซูอัล ม, มาหรอกชอบที่จะทําความชั่ว นี่คือต้องคุมอารมณ์ไม่ได้ <c oughs> เอาต่อไปพวกน บ, บีโซเละไวล่าสมูดาคอหุมโซลีฮาและยังกลุ่มชนของสมุดเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือน บ, บีซอเละมาน บ, บีโซเละก็มาสอนสอนเหมือนกันแลอะอธิบายเหมือนกัน่ يا قا ل سالبوا يا قوم يعبد الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فاستعمركم فيها فاستغفرو ثم توبوا إليه إن ربي قربه بوجاب بسلامة كم بق س م و د นะแต่นี้สมุติน่ะเป็นยังไงนา บ, บีโซเล่เนี่ยสื้อเสื้อชัยมาจากซามบุตรของนา บ, บีนัวนา บ, บีนัวหลังจากที่เรารู้ว่าเวลาน้ำท่วมโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่ศรัทธาก็อยู่คนที่ตายก็ตายไปนะครับลูกหลานของนา บ, บีนัวก็ชื่อซามไปอยู่แถวอิหร่า <c oughs> ชื่อฮามก็ไปอยู่แถวซูดานหฮาผิวดำอาราบผิวเหลืองผิวนะขาวเหลืองซาฮามเนี่ยไปทางซูดานผิวดำแล้วก็ซามฮามยาฟิศ ก, ก็ไปทางไหนไปทางตุรกีผิวร่างนบีอาดำนะแต่นี้นบีซ้อยล้วเนี่ยสืบเชื้อสา ม, มาจากซามบุตรของนบีนาะซามมาอยู่ที่ไหนอยู่แถวอาหรับ วิสระกะอาลัดงั้นก็บอกว่าเวลาพูดถึงเวลาพูดถึงนบีน่ะในเบื้องมาลอโลสลามจะได้พูดถึงนบีเน่ยนบีซอลเละนะก็พูดถึงนบีซอลเละนบีนบีฮูดพูดถึงนบีฮูดเป็นต้นหลังจากพวกอาถูกทําลายนบีฮูดได้ปกครองพวกคลองของท่านไปอีกอีกหลายปี น บ, บีฮุดมีชีวิตอยู่อีกสี่ร้อยปีเสียชีวิตระหว่างนั้นพวกสมุดก็อนใมาตั้งบ้านเรือนเมืองขึ้นแล้วมีอำนาจมากขึ้นสมุดมีความพิเศษตรงไหนนี่ ท, ที่ที่มีความพิเศษในตัวเขานี่แหละในกลุ่มชนเขาทำให้เขาตะก บ, บุตรสร้างปราสาทหินในเมืองนี้และสามารถสลักภูเขาเป็นที่พักอาศัยคล้ายๆกับพวกพวกสมุรนะนะพวกพวกอะไรเฮ<ะ>พวกฮุดนะ เนี่ยพวกนั้นนะกวกอาร์มี ม, มีมีความอะไรนะสาระคู่ขี้กับภูเขาอยู่เหมือนกันแล้วก็พอระยะเวลาผ่านไปประมาณร้อยปีพวกสมุทรก็ไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์มีสาเหตุอะไรเพราะถูกอิบลิสลอลอลวงให้สร้างรูปปั้นขึ้นมาสักการะแทนพระเจ้าแล้วพวกนี้ก็หลงเชื่อแล้วก็สร้างรูปปั้นใหญ่ๆไว้เยอะไปบนภูเขาชื่ภูเขาคอวรุส จนกลายเป็นสถานสําคัญของพวกสมุทรและมีการเฉลิมฉลองงานประจําปีอย่างสนุกสนานนี่มีการฉลองใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละพวกอาเกโพสมุทนะวันนี้แข็งแรงมากอยู่ในตามตามภูเขาร่องรอยคือว่าวัติุศาสตร์ที่เหลืออยู่เนะี่ยสิ่งที่เหลืออยู่เป็นร่องรอยที่สะท้อนถึงความเป็นจริง แต่นี่เราก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเย็นไม่ค่อยได้ไปแต่ก็รู้รู้โลกกว้างเนี่ยเราก็ได้รู้รายต่อเมื่อราย ท, ที่ที่ส่งผ่านมือถึงเราเ ย, ยอะอ่าไม่ไม่รู้เขาทำตามยังไงนะทําไมหินถึงถึงลุกไมได้ไม่รู้ทําอะไรแต่นี้พวกอะไรครับพวกสมุนในสมัยของน บ, บีซอลแลเนี่ยมันก็ไม่เชื่อไงอ พอมาบอกก็ไม่เชื่อมัน ก, ก็บอกกระเบีซอยแล้วว่าให้แสดงมณิยสัตคือมันบอกว่าให้ทําให้แม่อูดท้องแก่สิบเดือนตัวหนึ่งออกมาจากภูผาแห่งนี้แล้วก็ให้ออกลูกที่ลานหินตรงนั้นภูภูหานี่เถิดภูเขาเนี่ยมันบอกอะแต่เป็นระสุนจริงเอาเลยเอา้าวสั่แล้วแต่เป็นระสุนจริงที่เรารับรองอา้าวให้มีอูดท้องแก่สิบเดือนตัวหนึ่งออกมาจากหน้าผานี่ แล้วก็ออกลูกมาที่ลานหินตรงข้างหน้าผานี่ทำได้ไหมเนี่ยท้าไทยน บ, บีสอแล้นะท้าไทยน บ, บีสอดแล้ <c oughs> น บ, บีสอดแลกก็ได้น บ, บีสอแล้ก็ละหมาดสองโรคอากแต่ละหมาดแบบไหนในยุคนั้นเราไม่รู้นะลุกขึ้นยกมือขออุอาต่อเหรอทันใดนั้นแผ่นดินได้สั่นสะเทือนและเ ก, กิดปรากฏการ ที่เป็นมรดิสัตว์เกิดขึ้นตามที่ภูเขาต้องการก็มีมีอะไรครับมีอูดออกมาจากภูผาจากภูเขาจากซอกหินที่มาจากภูเขาฮะซอกหินาจากภูเขาแ ล, ะละ้วลบโซเล็กก็พูดกับพวกเะไรครับพวกสมมุติว่านี่คืออูดของพระเจ้าตามที่พวกท่านร้องขอเมื่อมีอูดมาแล้วเนี่ยให้มันดื่มน้ําวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งเป็นการดื่มน้ําสำหรับพวกท่าน ให้อูดวันหนึ่งให้พวกสมุดวันหนึ่งอ่าให้มันวันหนึ่งสมุดวันหนึ่งอย่าทําร้ายมันนะอย่าทําร้ายอูดแต่ว่าพวกนั้นไม่เชื่อฟังอ่าแล้วก็ฆ่าอูดของนบีซอลแลที่ที่นบีสุลต์ขอดวอายออกมาะฆ่าอูดตายแล้วก็ท้าทายนบีสอแล้วว่าไหนหลัการลงโทษที่ท่านพูดไว้เห็นมีอะไรเลยท้าทายนบีซอลแลด้วยนบีสุลต์ก็บอกอ้าวรออีกสามวัน พสมุทรทุกคนจะต้องตายโดยเสียงกัมปนาตที่ดังกว่าเสียงฟ้าร้องยกเว้นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะราราลอยสามวันแล้วนบีก็เป็นไครับพอยสามวันครบสามวันปุ๊บผู้คนในต่างตานั้นเป็นไงวันแรกเป็นไงผู้คนในเมืองนั้นใบหน้าสีเหลืองร้องให้ระงมวันที่สองใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดง วันที่สามใบหน้าทุกคนเป็นสีดําเมื่อครบสามวันอลอกระให้ยิบรีนทาเสียงกมปนาดดังสนั่นไปทั่วเมืองในยามค่าคืนและคนเหล่านั้นก็ตายทั้งหมดเสียชีวิตในะสภาพที่นอนคว่ำหน้านะก่อนจะมีปรากฏการณ์ก็ใบหน้าจะเป็นสีเหลืองก่อนคนต่างๆเหล่านั้นร้องให้กัมยายเลยวันที่สองใบหน้าเป็นเปลี่ยนเป็นสีแดงวันที่สามว่ใบหน้าของทุกคนเปลี่ยนเป็นสีดําเมื่อครบสามวัน อันเราก็ให้ยึบดีนทําเสียงกำปนาดดังสัน่นไปทั่วเมืองในยามค่าคืนแล้วพวกเหล่านั้นก็พวกสมมุติก็นอนคว่ำตายในสภาพที่นอนคว่ำตายนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะเล่าให้เราฟังในอันกุรอานงั้นกุรอานจะยืนยันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและให้เราได้รับรู้ว่าวิกฤต ท, ที่เกิดขึ้นกับชีวิตมีเสมอแต่คนที่รอดพ้นทุกครั้งคือคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออันร้อ แม้ว่าจะตายอ่อไปสู้เพื่อปกป้องอีกสามตายตายในสงครามแต่ตาย شهيد ไม่ได้ตายของคนที่เป็นผู้ทรยศต่อลอสซาตาลาใช่ไหมนั่นคือปรากฏ ก, การที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันเนี้ยอลัลลอฮ์ทั้งหมดในอัลกุรอานเป็นข้อเตือนใจเราว่าเวลาตะมูตุนในอินลาวาอันตุมมุสีมูลท่านหลายอยเพิ่งตายจนกว่าจะเป็นคนที่ยอมตนต่อรอดโดยสมบูรณ์เสียก่อนทุกระบบ ทุกคนพูดยังไงในอกคคีได้เชื่อว่าอาลัลลอฮฺเป็นเจ้าองค์เดียวในอิบาร์ได้ซูยูต่ อ, อลรอองค์เดียวในฮุกโกมต่างๆเชื่อฟังสิ่งที่อลัลลอฮฺแลรัศมีบอกอย่างเดียวนั้นเป็นคําสั่งเดียวที่มาจากอาลัอลลอฮฺแรัศมีนี่คือสิ่งที่เราต้องเป็นงั้นกว่าจะเป็นแบบนี้ก็ต้องสู้กับอะไรครับสู้กับอารมณ์ของตอนเองที่บอกว่าลูกหลานอาดามมีความอ่อนไหวเพราะอะไรเนื่งใช้ชีวิตตามอารมณ์ฉันจะทำตัวของฉัน เราเป็นตัวของเราเปล่าอ่ลเราสร้างมาเพื่อให้อิบาดนะต้องรู้เป้าหมายสองเราจะทำเพราะอะไรเราแพ้ความใข่ของตัวเองเราต้องการอ่ะสามที่เราเสียเพราะอะไรความคิดและสติปัญ ญ, ญาถูกครอบงำกับสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามแล้วก็สี่มีหัวใจแต่ไม่เอาศาสนาเราหุมกลู้บุลเราบอกนันกูอานว่า เราจะสำรองนะรกยาันนำไว้ให้กับผู้คนหมู่มากที่ละหุมกุลูบุ ล, ลายับก่อหุน่นนาบิฮามีหัวใจแต่ไม่ยอมเข้าใศาสนาวลาหุมอายุนุ่นลายุบสิรุนา บ, บิฮามีตาแต่ไม่ใช่ตามมองถึงปรากฏการที่สะท้อนให้เห็นว่าเลามีอำนาจได้จัดการได้ตาหูวลาหุมอาดานุน ลายสมาอุในบิหามิฮูแต่ม่ย้อนฟังในส kind of ang, ิ udge, exist, ่งท an ี่อัลลอฮ์บอกคําสั่งต่างๆไม่ยอมฟังข้อปฏิเทียงต่างๆไม่ย้อนฟังอัลลอฮ์บอกไงอุลาอิกกานอันอามคนเหล่านี้เหมือนกับสัตว์อันนามคืออันอามคือสัตว์เดรัจฉานแค่นั้นยังไม่พอนะอัลบอกบัลฮุมอาดลลุซัมราจะเลวกับสัตว์เดรัจสามได้ัจสาไปนี่คืออัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเพราะนั่นเครื่องมือชีวิตที่อัลลอฮ์ให้มาคืออะไรหนึ่งหัวใจ 2. หูสาตาเป็นเครื่องมือของชีวิตที่เราจะต้องเอามาใช้เพื่อเก็บคำสั่งของอัลลอฮ์ไว้กับตัวเราใช้ใจแบบอัลลอ์สั่งให้ใช้ใช้หูแบบอัลลอ์สั่งให้ใช้ใช้ตาแบบอัลลอ์สั่งให้ใช้เราจะใช้โดยโดยความรู้สึกของเราไม่ได้แต่เอาความรู้สึกที่สำนึกถึงศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์เอามาควบคุม นี่งั้นเครื่องมือชีวิตต่างๆเหล่านี้อลัลลอฮ์ให้มาหมดไม่ได้เสียตังเลยเอลัลลอฮ์ให้มาฟรีแล้วแล้วตอนที่เกิดมาก็ไม่ได้ขอเดือดตอนอยู่ในท้องแม่ไม่ได้ขอด้วยอลัลลอฮ์ให้มาฟรีเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้เห็นว่าในวันที่อลัลลอฮ์ถามว่าอัลล um ัสตุบิโรบิกุมในอารามอัลละวันในโลกแห่งวิญญาณฉันเป็นเจ้าของพวกท่านใช่ไหมอลัลลอฮ์ถามวิญญาณกอรูบาลาวิ ญ, ญาณจะตอบว่าใช่แล้วเมื่อเราถูกสร้างมาบนโลกใบนี้ เราหลงเราลืมคําสั่งที่เราตอบรับว่าอาลัลลอฮฺเป็นเจ้าเพราะอะไรสภาพแวดล้อมมันกลืนความรู้สึกศรัทธาที่มีต่ออลัลลอฮฺไปแล้วก็มาตรฐานทางสังคมคือได้อัลลอฮฺบอกว่าอินนะักกะละมากุมอินดาร์ลัยอัตกอรมกุ ม, ร ม, มคนดีที่ซึนามูมตั้งคือคนที่ได้ตะกวาต่อเลาะตะกว่าต่อเลาะคือได้รักษาคําสั่งรักษาหน้าที่ตามที่อลัลลอฮฺสั่งนี่คือคือมาตรฐานของคนนั้นไม่ใช่มาตรฐานที่วัดจากวัตถุ แต่วันนี้เราว่าวัดมาตรฐานคนยกย่องคนดีทางวัตถุบ้านยายยกย่องรถดียกย่องตำแหน่งดียกย่องไม่ศรัทธาต่อแล้ยกย่องไม่ใช่ไอ้นั้นไม่จะมาตรฐานตามที่อลัลลอฮ์สัง่งเนี่ยเรามาเจอความรวยลืมอลัลลอฮ์เจอความสวยเขาลืมอลัลลอฮ์เจอความสมบูรณ์ของร่างกายก็ลืมอลัลลอฮ์นะครับแล้วก็เราจะกลับลนะกลับไปสู่อลัลลอฮ์เรานังสิ่งใดกลับไปสู่อัลลอฮ์บ้าง ตัแอมบอกว่าความรวยที่เว ท, ที่สุดคือความรวยของ one, <c oughs> คนอ่าใช่อำนาจที่เร็วที่สุดของฟิรอโอนดูดูคนสทาตอรออย่างแม่ของนาบิมูซาเอาลูกใส่หีบลอยน้ำเพราะฟิรอูนประกาศว่าถ้ามีลูกผู้ชายจะฆ่าทุกคนเพราะหอนบอกว่าจะแย่งตำแหน่งเก็บไว้ไม่ได้สั่งให้อาแม่ให้แม่อลูกใส่หีบอก้ระหว่างอกับลบมูซาไกลกัน ยุคยุของฟารูดก่นมันก็อยู่เออมันมันมันเป็นญาติเคยญาติกันใช่ไหมแล้วแล้วเวลาชายชนะที่แท้จริงอิสลามชนะอำนาจไหมก็ฟิลอุลว่า ง, งนะอ่นารับประคุมูลอาลาฉันเป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ใครบอกเราเป็นเจ้ามันก็บอกว่าครูก็เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่สําหรับผู้ศรัทธาต่อเล่าว่างไงนะ สุภาพนาะบเบียนอาลาขอสดุดีต่ออัลลอฮ์ผู้บริสุทธิ์ที่สูงส่งไม่ใช่ฟิตรูนสูงส่งไม่ใช่อํานาจสูงส่งแต่ว่าอํานาจเงินทองทรัพย์สินพวกพ้องก็เอามาใช้เพื่อประโยชน์ในทางของ Allah. อัลลอฮ์อานาจดีทรัพย์สินดีพวกพ้องดีนั่นคือสิ่งที่เราต้องฝ่ายหาแล้วก็แสวงหาั้นใช้เครื่องมือของชีวิตอัลลอฮ์ Allah, ให้หัวใจหูตานี่คือเครื่องมือของชีวิตและเก็บนํางิมไว้เพื่อดูแลตัวเอง Kau fasilani, baiklah. Subhanaka Allah, wabillahi taala ilaa anta. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.